ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่34ข้อล่ามเที่ยววัดวัดบ ร, รมณิวาสอารั ญ, ญาวาสีแห่งกรุงเทพตอนที่สองกับเสาหลักกรรมฐานโดยวีรวงในฉบับที่แล้วผู้เขียนได้กล่าวถึงประวัติและความสำคัญของวัดบ ร, รมณิวาสโดยย่อและได้พาชมสถานที่บางส่วนของวัดในฉบับนี้ ผู้เขียนขออนุญาตพาชมวัดบรมนิวาสต่อไปหากเดินผ่านไปด้านหลังของกุฏิรามแขทางทิ่ตะวันออกภายในบริเวณวัดจะเห็นเขตกำแพงแก้วพระอุโบสถก่อนจะเปิดประตูไม้เข้าไปสู่เขตพระอุโบสถจะเห็นกุฏิกรรมาฐานหลังน้อยที่ดูพอเหมาะกับการบำเพ็ญสมณะธรรม นี่แหละคือความพยายามในการส่งเสริมการปฏิบัติของบุรพาจารย์ของวัดนี้สำหรับพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมไทยในสมัยรัชกาลที่สี่ภายในประดิษฐานพระปฏิมาประธานสมัยสุขโขทัยปางมารวิชัยมีนามว่าพระทศพลยานได้ยังมีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือครัวยินโคงจิตรกรเอกสมัยรัชกาลที่สี่ ด้านหลังพระอุโบสถคือพระเจดีย์สีทองและพระวิหารรายรอบพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานรูปปูนปั้นนูนต่ำพระอิสีติมหาสาวกแปดสิบรูปในอิริยาบทยืนนมัสการพระเจดียังมีผู้สังเกตไว้ว่าพระสาวกเหล่านี้กำลังเดินจงกรมแสดงถึงจุดประสงค์ของวัดที่เป็นวัดฝ่ายปฏิบัติบริเวณด้านหน้าพระสาวกเหล่านี้ ก็ยังเหมาะสมกับการเดินจงกรมอีกด้วยบริเวณในพระอุโบสถนี้เองนอกจากเป็นที่ทำสังฆกรรมแล้วนาดีตยังเคยเป็นที่พักสำหรับประกอบความเพียรของครูบาอาจารย์รูปสำคัญหลายรูปได้แก่หลวงปู่ฟั่นอาจารโอหลวงปู่แหวนสุจินโนและท่านโพลีธรรมะธโรโดยเฉพาะหลวงปู่ฟัน่นท่านใช้เป็นสถานที่เร่งความเพียร เมื่อครั้งที่ท่านลงมานมัส ก, การท่านเจ้าคุณพระอุบาลีประมาณปีพุทธศักราช2475แล้วเกิดหลงรักหญิงกรุงเทพเข้าจนเกือบจะต้องลาสิกขาท่านใช้เวลา7วันเร่งความเพียรในพระอุบโบสถจึงสามารถผ่านจุดนั้นมาได้และได้เป็นครูบาอาจารย์ที่สำคัญอีกรูปหนึ่งในยุคปัจจุบันนอกจากนี้ ท่านพอลียังเคยพบเหตุการณ์พระธาตุเสด็จในพระอุโบสถนี้ด้วยตามปกติบุคคลภายนอกจะสามารถเข้าไปในเขตพระอุโบสถตลอดจนพระชดีย์และพระวิหารรายได้ตลอดเวลาแต่ถ้าจะเข้าไปในพระอุโบสถจะต้องติดต่อกับพระเจ้าหน้าที่ท่านจะมาเปิดพระอุโบสถให้มีเกรดอีกนิดหนึ่งถ้าเข้ามาในเขตพระอุโบสถแล้วลองสังเกตดูดีด แเซียนอภิเนห์มีจริงเมื่อเดินออกมานอกเขตพระอุโบสถให้เดินกลับไปทางด้านหลังทางทิศใต้จะเป็นที่ตั้งของบ่อเตา่าที่นี่สามารถให้อาหารและปล่อยปลาได้และยังเป็นที่ตั้งของกุฏิบ่อเตา่าซึ่งปรากฏในประวัติของหลวงปู่ล่าเขมมาบัดโตว่าท่านเคยมาพักที่กุฏินี้พักชมธรรมชาติที่บ่อเต่านี้สักพัก ลองกวาดตามองภายในบริเวณวัดจะเห็นว่าที่นี่ได้นุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ๆไว้มากมายทำให้นึกถึงโอวาทของพระอุปชาที่จะให้แก่พระภิกษุบวชใหม่ในวันแรกที่เรียกว่านิสัยสี่คือปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตสี่อย่างคือหนึ่งเที่ยวบินทบาทสองนุ่งห่มผ้าบางสุกุลสอยู่โคนไม้ สี่ฉั้นยาดองด้วยน้ำมูดเน่าวัดเรามีโคนไม้มากมายแม้แต่อยู่ในกุฏินั่งภาวนาก็ถือว่าอยู่โคนไม้นี่คือความชานฉลาดเพื่อการเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยต่อมาให้กลับออกมาที่ฝั่งตรงข้ามหอเขียวจะเห็นกุฏิไม้สักหลังใหญ่กุฏินี้มีชื่อว่ากุฏิปัทรมราช สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2,449 อายุปีนี้ก็101อปีแล้วลองค่อยๆดูรายละเอียดของกุฏินี้จะพบความงดงามที่แฝงอยู่ในความประณีตบรรจงของลายฉลุไม้รูปทรงกุฏินี้เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบขนมปังขิงเป็นสถาปัตยกรรมที่นิยมในสมัยรัชกาลที่หถึง7 ซึ่งนับวันกำลังหายไปจากความทรงจําทุกทีทุกทีด้านหลังยังเป็นที่ตั้งหอมาราพิรมกุฏิทรงหอคอยหกเหลี่ยมหลังเดียวในกรุงเทพศาลาหลังน้อยชั้นบนสุดเหมาะสมกับการนั่งภาวนาเป็นอย่างมากนอกจากกุฏิทั้งสองจะมีความสําคัญในด้านสถาปัตยกรรมแล้วยังเคยเป็นที่พักของครูบาอาจารย์หลายรูปตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีหลวงปู่สิมพุทธาจารโรหลวงปู่เหรียญวรราโพหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปเป็นต้นในบริเวณกุฏินี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทซึ่งกิจกรรมที่สำคัญก็คือการนิมนต์ครูบาอาจารย์จากต่างจังหวัดมาฉันพัตตาหารเช้า และแสดงธรรมทุกวันอาทิตย์ที่สามของเดือนและการถือศีลอบรมภาวนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะทารงไว้ซึ่งการปฏิบัติธรรมให้ยังดมรงอยู่ในวัดนี้ลองมองไปที่ด้านหลังกุฏิปฐมาราชจะเห็นกุฏิไม้หลังเล็กๆรูปทรงปราณีตกระทันรัตสองหลังเล่ากันสืบต่อมาว่าหนึ่งได้สองหลังนี่แหละ ที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้เคยมาพักเป็นการชั่วคราวเป็นหนึ่งในสองสถานที่ในกรุงเทพที่หลวงปู่มั่นท่านเคยมาพักฝ่ายบาลีขอให้จบเพียงป ร, รียนสามประโยคเท่านั้นส่วนนักธรรมแม้จะไม่จบชันก็ไม่ถือเป็นปัญหาแล้วจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวจะไม่ยอมศึกษาและสอบประโยคต่อไปเป็นอันขาดนี่คือสัจจะของพระอาจารย์ที่ได้ชื่อว่า เปรียบประดุจดังเสาหลักกรรมาฐานในยุคปัจจุบันท่านก็คือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนช่วงหนึ่งในสมัยที่ท่านเรียนปริยติธรรมท่านมาศึกษาและคํานักอยู่ที่วัดโบ ร, รมนิวาสและกุฏิที่ท่านพักอยู่ก็คือกุฏิดํารงนุ ก, กูลอยู่ตรงข้ามกับกุฏิปัธ ร, รมราชนี้เองในบางครั้งที่หลวงตาท่านลงพักที่สวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร ท่านยังเดินทางมาเยี่ยมที่กุตินี้ด้วยยังมีปริศนาที่ปรากฏในประวัติหลวงตาที่ว่าในเวลาเรียนท่านก็นั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาด้วยแล้วทางที่ท่านจงกรมนั้นอยู่ที่ตรงไหนการที่ได้มาวัดบรมนิวาสอาจทำให้ได้เห็นอนิจจังบางอย่างหากรำลึกถึงอดีตก็จะได้เห็นถึงความอดทนต่อสู้ฝ่าฟัน เพียงเพื่อให้การสืบทอดธุระฝ่ายปฏิบัติให้ยังมีความสืบเนื่องในอนาคตจากครูบาอาจารย์ในยุคโบราณส่งต่อสู่ลูกหลานในยุคต่อมาความเจริญรุ่งเรืองของวัดและพระพุทธศาสนาจึงอยู่ในมือของลูกหลานในยุคนี้ถ้าสืบทอดแนวทางของครูบาอาจารย์ไว้ได้ประโยชน์สูงสุดก็ย่อมเกิดผลแก่ผู้ปฏิบัติ ยังผลความเจริญของพระศาสนาดังเช่นวัดบรมนิวาสที่เคยมีชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติธรรมภายในวัดรอยมือรอยเท้าครูบาอาจารย์ยังปรากฏอยู่อยู่ที่เราจะเดินตามรอยนั้นแล้วหรือยัง